พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่36สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งปวดศีรษะภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่าจึงให้ท่านนัดยาจนถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเรา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 ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จกฆ่าจึงให้ท่านนัดยาแต่ท่านไม่ถึงแก่มรณภาคภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ต ร, ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข่าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จกฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่า สูทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอบัดปาราชิกแต่ต้องอบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่38